แเป็นภาษาจีนใช่จีนกลางครับนายเป็นจีนกลางเขาเขาจะรู้มากกว่าภาษาอังกฤษนะครับส่วนใหญ่พูดภาษาจีนกลางครับจีนกลางเาว่าภาษาจีนกลางกับภาษาอังกฤษแต่คนโตที่จะรู้คนใหญ่ถึงจะรู้จะส่วนใหญ่เขามาว่าแล้วก็พูดภาษาจีนกลางจีนกลางคษาจีนกลาง ทำไมถูกถ้ไมถูกสอนให้รู้ภาษาจีนกลางควรยาง่นั่นก็มันมันหลายหลายแสตนะอ่าใช่ถ้าจินกลางครับไปต ร, รงนีงงกงงง้ก็ต้องเดินจีนกลางครับาาก็เขาไปโรงเรมจีนกางอ่ า, าครับผมถ้าที่โรงนี้ก็ต้องเดินจีนกลางแล้วภาษาอังกฤษเขาบังคับไหมบังคับสามภาษาครับภ า, า, า, าษาอังกฤษต้องบังคับใช่ภาษาจีนจีนอ่ามันอะไรกับอังกฤษมันเรื่อภาษาอังกฤษบังคับสามอย่าง มไทยเราเมื่อบังคับอะไรสักอย่างบังคับสามอย่างเขาจบประทบมัธยมเขาก็ใช้ได้เลยส่วนให่เขาเข้าวันแล้วก็คุยภาษาธรรมะก็ภาษาจีนก็เข้าธรรมะก็จะใช้จิงก็ร เ, บบ เ, เ, เดี๋ยวผมจะพาพูดไปสักสิบกวนาทีแล้วก็พาน้งพอนาไปสองทุม่มมันจะได้สองทุ่มเลยนะครับ พ, พูดไปซักหน่อยเลีย้ยงไม่มา เดี๋ยวระยะนี้ไปสิบกว่านาทีเราจะพูดนำนิดหน่อยล้วจะภาวนาไปถึงสองทุ่มเนี่ยสองทุ่มง่ายๆจี้ไปสองทุ่มแปบ๊บเดียว ปกติวันธรรมดาที่พรกเราเข้ามานี้เราก็นั่งภาวนาเงียบไปจนสองทุ่มเราก็จะพาถวัตสวดมนต์แล้วก็มีอะไรก็พูดเสริมอีกเราบอกให้เดี๋ยวค่อยบอกเราบอกให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธ มีใครไม่เข้าใจมีใครไม่รู้จักมีใครยังทำไม่เป็นไม่รู้เรื่องมีไหมยุ่ออร้จักรู้จไม่รู้จักไ่รู้จักไ่รจักไม่รู้จักไม่รย้ักม่รู้จักไมรู้จไม่้จักม่รู้จักม่อน้กม่รู้กไม่รู้จักรู้จักไม่้จัก่ร้ักไหร้กไม่รู้จักู่กไรักมูก่ัไม่ร้ักไม่รู้จักไม้จักไม้มร นั่งภาวนาพุทธพุทธพุทธคิดอยู่เรื่องเดียวคือพุทโธพุทโธพุทธพุทธ只是想一样东西而已只是想着พุทธพุทธพุทธ而已 ทำความรู้สึกอยู่กับค ำ, ำว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธแล้วก็ประคองพุโทโธแล้วก็ประคองพุโทโธแล้วก็ประคองเอาใจนั่นแหละประคองใจใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใชพใธ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ในะ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่่่ใ่่ ในเราเข้าถึงความสุขได้เร็วพระพุทธเจ้ า, าท่ า, า, า, า, าเนเห็นชัดเจน ว่าความคิดฟูง้งร้านเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ท่นานจึงให้หยุดคิด佛陀他了解他知道说因为胡思乱想让我们升起这个苦所以他叫我们要停止不要乱想东西หยุดคิดตามเรื่องโรคเรืงเสียงเรื่องดินเรื่องรถเรื่องสัมผัสที่จิดมันผานนึกผาคิดอย่า这个身相味出法这个东西不要去想太多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 เราเอาธรรมะพาจิตของเรานึกคิดคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธไม่นานเดี๋ยวจิตเราก็หยุดหยุดนึกหยุดคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกื่นเละจิตจะมารวมอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธยงเจ้าฝ่าดายใจก็สิ้นแล้วอ๋อคือสั่งไม่ท้อไม่ท้อไมารู้ชัดอยู่กับคําว่าพุทธี่นี่อ๋อใจก็จะสงบ 如果我们的心清楚了解不拖不拖的话呢，这个心就会慢慢的平静下来。我们的心就会开始平静，心就会开始呢感觉到快乐。啊，开始感到平静，开始感到光明啊，这样子的话，这个心就会快乐。 มีความเบากายอยู่ในนั้นมีความเบาใจอยู่ในนั้นมีความสุขอยู่ในนั้นจิตดึงจิตให้มาอยู่กับคำว่ า, มามพุทโธพุทโธแล้วประคองพุทโธแล้วประคองอันนี้ธรว่าเป็นอุบายทาให้ใจสงบ 啊，把这个拉，把这个心拉回来呢，放在这个不拖不拖不拖，一直维持下去呢，是一个让心平静下来的一个方法。โดปกติเราหาความสุขกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องราวสารพัดสารพันปัญหาที่มันมีอยู่ในหัวใจของเรา。很多时候呢，我们只是追求一下这个世界的色身香味出书法这些一切外在的东西而已。 ถ้าเรามีสมาธิดีเรามีปัญญาดีไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสเราก็ได้เปรียนได้สติดได้ปัญญาเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นถ้าหากเราไม่เคยฝึกไม่เคยนึกไม่เคยคิดเรื่องภาวนาเหล่านี้แล้วความนึกความคิดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมด 我们没有来训练自己的心啊，因为这些思想呢，胡思乱想都是烦恼的原因。嗯，菩提呢，他叫哇，菩提萨埵，萨埵，做起来难，就这样的，弄，弄，多少天，多少天，多少年，我们做这样的，做起来不开心，不快乐。这个就是培养正定的方法，就是几天、几月、几年都可以用这个方法，用这个方法呢，来让这个心平静下来。 ทำไปเรื่อยจิตของเราจะเชื่องไปเรื่อยจิตของเราจะ ช, ชินไปเรื่อยจิตของเราจะเริ่มสงบไปเรื่อยแต่ต้องหมายถึงว่ามีสติมีสัมปชัญญะมากำกับดูแลจิตของเรา ทำอยู่อย่างนี้แหละหนึ่งวันอยู่จิตไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่คือสงบไม่สงบสงบไม่สงบเพราะเราไม่เคยบังคับจิตเราเริ่มรู้จักบังคับจิตจิตของเราก็จะเริ่มรู้จักอํานาจของสติของของปัญญาจิตก็จะยอมยอมยอมอํานาจของความสงบยอมอํานาจไม่นึกไม่คิดไม่ปรุง 我们的心呢，就是这样子去做，但是呢，有时候会平静，有时候会不会平静啊？一天一天就是这样子去持续的去做慢慢的我们就会啊适应这个平静不平静的心，就会了解平静的力量。都歪歪，他们每都学每每，时常的去做，时常的去训练。我们这样子做，心就会变得很平静。 我们持续的去做的话，那心中才会生起吉祥。ภายใจิตของเราจะเจอด้วความสงบ。我们的心就会提升起来，因为有这个平静。สตของเราจะเริ่มดีขึ้นปัญญาของเราจะเริ่มดีขึ้น。我们的这个正念就会提升起来，我们的智慧就会提升起来。พฐานของจิตของเราจดีขึ้น。我们的心呢也会提升起来。นีมันเป็นการพัฒนาจิต。啊，这个就是。 发展我们的内心。发展，按照方法、理论、教、参、论。啊，跟着佛陀的教导呢，来提升自己，发展这个心。我嗯。当我了发展得好的时候，我们的智慧就会增长。 จนได้ได้วิธีมาดัดจิตของเราอยู่ในเงื้อมือของเราแล้วเราก็ได้แบบได้เกณฑ์ในการกจิตของเรานี่คือวิธีที่เราใช้ในการฝึกจิตของเรานี่คือวิจารณาเสียง 用这个心的力量呢，来思维这个声音。เอาจิของเราที่สงบนั่นแหละมาพิจารณากพิจารณารสพิจารณาปัญหาสารพัดที่เป็นอารมณ์รบเราจิตของเรา。啊，用这个心的力量呢，去思维这个声音、味道、啊我们的思想，这个法，还有我们。กาใจพิจารณาอย่างนี้มันเป็นการใช้ปัญญา。用这个智慧来思维。 เพื่อให้รู้เท่าทาันกองสังขารสังขารจิตแหละจิตผ่านึกาคิดผาปรุงาสิงจะข้าใจว่าธรของเรมาันเชาติอตนั้นเราอ้ปรรมงนั้นปรริงจตันเรตของเราตของจิตนัเปรมองตเราตองราของิ้เมองเราเรมาตันเ็าัน็ 就是这个五蕴带着呢，我们去胡思乱想去照做，所以如果是我们有这个正念治疗它的话呢，这些烦恼才会停止下来。啊，扑通一扑，嗯，然后它会沉个底，扑通一扑，它会沉个底。啊，如果心要照做的时候，我们保持这个觉念，它就会灭去；当这个心要在照做的时候呢，我只要我们保持觉念，它就会灭去。我们是。 我们知道这个情绪怎么样生起，知道这个情绪怎么样灭去。我们知道我们的烦恼、我们的贪怎么样生起，我们知道我们的烦恼、欲望怎么样灭去。灭这个就是智慧啊，但是呢，必须要有内性的平静，我们才能够看得到它。 ด้วยเหตุที่เรานึกเราคิดเราปรงุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิล่นเรื่องรสตามธรรมชาตินั้นอ่านี่ก็คือเราอาศนีกิลิเลสทำกิเลสทำกิกิเลกิเลสทำกิเลสทำกิเลสตักหาลสกคเลสทิเลสทำกิเลสทำกิเลกเลสทำกิเกิเลสิเลลสทำกิเลสิเกิกลก นึกคิดปรุงไปด้วยอำนาจของความยึดด้วยความถืออ๋ออีเจกถ้าเป็นเรื่องของกิเตลนายอเ่าัหเนรื่อตัหาแล้วมันพยึดพถ่าั้นถาเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาแล้วมันพายึดพาถือนั้นแหละถา่ออเหา้ัถือเท่านั้นแหละถ้า็น่องขิเตห้ท่านจ้นห้านรืงงสัห้ว ม, มัาดพัาร ใครเริ่มรู้จากเริ่มเข้าใจเรื่องเหล่านี้ก็จะทำให้จิตของเราเนี่เพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้กับจิตของเราถ้้าใครถ้าใค้าใครถ้าใครถ้ารถ้าใาใครถ้าใรารถ้าใาใรถ้าราใครถ้าใคาใรถ้คราใ้คราใครรถคร้าใคารถ้าร้าใคาใรร้ 啊，这个发展快的 得, 得到。啊，这个是法的事情。เรื่องของกิเลนนั้นอ่ะเรไม่ต้องเรียนกิเลนสราทุกระยะทุกเวลา。我们的烦恼必须要学习，我们的烦恼呢会加导我们。แต่เรื่องของธรรมะนั้นเราจะเอาธรรมะเข้าสู่หัวใจเรจะต้องฝึกเรจะต้องฝืน。啊，但是佛法必须要去训练，必须要要再清醒。ฝืนกำลังของตัณหาของกิเลนนั่นแหละ。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 得到这个平静，这个快乐，这个功德。我们有时间，能ภาวนา， noi， 告诉我们，如果我太忙了，让你们和佛陀、佛陀、佛陀、佛陀，只考虑一个。我们打坐修行的时间很少啊，所以呢，尽量争取时间，只是想着不拖不拖而已。啊，接下来，让每个人和佛陀、佛陀、佛陀，和一个念头。 接下来呢，大家保持啊，不拖不拖。嗯，上个礼拜一，下午两、三<啊>点钟，<嗯>我们就开，做晚课。嗯。<咳> 啊, 啊，开始哦。 <c oughs> อันนี้เป็นหลัก <c oughs> อันนี้เป็นหลักเราทิ้งหลักไม่ได้ถ้า <c> เ <oughs> ราทิ้งหลักแล้วเราก็จะหลงทางไปเรื่อยอันนี้เป็นมัชชีมาปฏิปทาเป็นทางถูกเป็นทางตรงเป็นทางดีเป็นทา ง, ง, ง, ง, งชอบ เป็นทางผูกเป็นทางตรงที่สุดไม่มีการมาสุขาลิการโยอเกี่ยวข้องเพื่ อ, อ, อตนตามใจชอบด้วยอำนาจของกามไม่มีอาคีะนุกรรมะอาิีะมฐานโยไม่มีการนาบรตเกี่ยวกับเรื่องจิตําบุตรเรื่องอยากจะได้บุญอยากจะได้บุญนำบุตรเรื่องอยากจะพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์แต่ไม่มีแนวปฏิบัติ เหมือนอย่างที่อัคคิธรรมฐานโยคที่เขาทามาตามในตํานานที่เราได้ยินได้ฟังหลักที่พระเจ้าท่านสอนทางที่ท่านเปิดใหม่อธิยมัคคุโยเปห็นไหมท่านพูดถึงการขริกานโยคทางหย่อนเกินไปอัคคิธรรมฐานโยคประกอบต้นเน็รเหนื่อยเปล่า เ, เป็นทางตึงเกินไปทั้งสองทางก็ไม่ถูกเสีอย่าง เปิดทางใหม่เปิดทางเส้นทางใหม่นเมื่อพระธรรมเทศนาของพระองค์ท่านมาเปรียบเทียบเส้นทางที่เราควรจะดําเนินสามทางท่านจึงเปิดทางเส้นใหม่ให้กับเรามัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางในเมื่อหนึ่งตึงเกินไปหนึง่งมันหย่อนเกินไปเดินพอดีพอดีแต่คําว่าเดินพอดีพอดีเดินตามไม่ใช่เดินตามสบายนะมีหลักปฏิบัติเห็นชอบดํำริชอบ เห็นชอบทำริชอบนี่เป็นเรื่องของปัญญาการงานชอบเรื่องชีวิตชอบกรรมกายกรรมวริจีกรรมมโนกรรมชอบเป็นเรื่องของศีลเรื่องของการทําให้ใจได้รับความสงบมันเป็นเรื่องของสมาธิแต่เวลาเขาทางานกันเขาจะปะสานกันเป็นอันเดียวกัน เป็นก้อนเป็นก้อนเหมือนก้อนที่เรากรรมก้อนเป็นก้อนเดียวกันสิลงก็อยู่ในนั้นสมาธิก็อยู่ในนั้นปัญญาก็อยู่ในนั้นภาษาอีกท่านอีกอย่างหนึ่ง ท, ท้าเรียกว่ามาะมัคคสังขีทั้งงานที่ใจใจเป็นผู้ทํา ง, งานเป็นหนึ่งเดียว ท, ท้าเรียกว่ามัรคสังขีรีพูดอะไรหมู่ฟังได้ไหม ที่แปลรอบมานีดหน่อยเนี่ยคือคือภาษาจีนกับผมไม่เก่งครับออกออกแปลเป็นกรีกอะนรก็ได้ยนไม่ได้แปลเปนอังกฤษเนี่ยพฝรั่งเศสก็มีเนา<อ>เอาเลยท่านท่านเก่งังกรีกเ<อ>พราะว่ า, าจริงการาจะได้ประโยชน์มากกว่าสาหรับยงยงมเมยาวมอเลเซียดุสิตเนาะ<อ>จริงกลางไหมจริงกลางอ๋อท่านเชื่อะไรนะจุโก 柱骨，骨柱骨啊，骨柱骨，强壮啊，好嘞。刚才หลวง父大概是讲说，在我们修行要走中道哦，八正道，<唉>或者讲的这个中道呢，不要太过，太过硬，也不要太过软，好像那个线哦，不要太过拉的太紧，也不要放的太松。中道呢，不是叫我们偷懒不是叫我们要这个方便舒服，中走中这个中道呢， 有这个八正道，八正道有正见、正思维，正见、正思维呢是属于这个智慧哦。啊，正语、正业正、正命呢是属于我们的戒，在我们生活中呢也是要有正念跟正定。啊，还有这个正精进哦，最后有这个八正道，所以修行呢离不开中道、八正道。就不了。 น้่นรู้เรื่องไหมนุ่นอ่ะนุ่นอ่ะเวียดนามสักกริยะรู้เรื่องไหมเวียดนามอยู่ไหนฮะแข่อยู่ที่พักก็มี แกอยู่ที่พักเข้ามาไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรฮะอันนี้แขกไม่มากันเยอะเลฮะบูที่มากับเราไม่มาไม่มาเขามีใช่ไหมเจ็บป่วยหรืออะไรอืม <c ười> แล้วภาษาจี น, จนกลางเนี่ยที่พูดไปเนี่ฟังไหมเข้าใจไหมรู้เรื่องไหมมันก็มีปลายบ้างให้จับเออเอเขา้าเข้าใจไหมโดยหลักๆเขาก็เรียนมาไหมครับนิยมามมันลงแต่ก็ปกติก็คอยฟังอยูอ่อ่ามีคือทางปฏิบัติเมื่อเเราพูดตอนแรกๆนั่นแหะเราพูดเรื่องสมาธิสมาธิก็คือองค์ประกอบส่วนหนึ่งมสมาธิ เราตั้งแต่โนูแลระดับระดับความสงบของจิตระดับที่หนึ่งระดับที่สองที่สามที่ ส, สี่ที่ท่านพูดถึงในนี้ในแนวส่วนเน่ย <c oughs> คือปกติจิตของคนเรามันวุ่นมันว้าวุ่นไปเกี่ยวกับเรื่องคิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องหยุดคิดซะก่อนอบางแห่งท่านเราบอกว่าใช้ปัญญาใช้ปัญญาใช้ปัญญาไม่ต้องสมถะก็ได้ไม่ต้องสมาถะก็ได้ไ ใช้ปัญญาแบบไม่มีสมถานนั่นแหละมันทําให้เราหลงคือมันไม่มีฐานความสงบของใจพอเราทําไปเราทําไปทําไปตัณหามันสวมรอยง่ายตัณหาสวมรอยแป๊บเดียวเละอะามันเอาใจแล้วตัณหานี่มันเร็วมากแต่ถ้าจิตที่สงบเนี่ยตัณหามันก็ชักหลุดรัวเพราะเคย โดนตอก่อ น, นเงี้ยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทำความสบบางบคุปปานจานหลวงปู่สาวหปู่มันโดยเฉพาะหลวงตาเราเน้นต้องสงบซะก่อนต้องสงบเสียก่อนสงบเสียก่อนสมัยรลวงปูเขียนหลปูเขียนปเปลี่ยนก้าวหปู่เขียนปเปลี่ยนก้า ไปฟังธรรมจากสมัยลุงตานั่นแหละหลวปู่เขียนประเรี๋ยนเก้าลุงตาประเดี๋ยงสามไปโยอบรมกับหลวงปู่มั่นนูน่นที่น้องผืนนั่นในน่นท่านบอกให้เอาความรู้ทั้งหมดบูชาพริพุทธเจ้าไว้ก่อนอความรู้ทั้งหมดอย่าเพิ่งกลับมาดึงบางขี้เอาจิตให้สงบซะก่อนเพราะจิตมันสงบเนี่ยมัน สัจธรรมมันสัจธรรมยาบๆมันจะเริ่มปรากฏแลนะ้วสัจธรรมคือข้อเท็จจริงคือเรื่องของความจริงบางอย่างมันจะเริ่มปรากฏในใจของเราแนละแต่ถ้าจิตสงบได้พื้นได้บานได้ถานจริงๆแล้วเราอมาพิจารณาด้วยเหตุที่ความรู้มากนะนะชัเอาไว้จิตจู่นึ่งเดียวนะอยู่ยาก ถ้าไม่มัดกันจริงๆไม่ยกบูชาไว้จริงๆจะไม่คยอยู่เลยในรัฐบญญาลอาารท่านจึงสอนท้าไม่ทิ้งสมมตานนะเออพวคุณมีความรู้มากแล้วไม่ต้องเภานะั้ใจสงบดอกพิจารณาเลยพิจารณาเล ย, เลยประเทศคี ป, ปาพินยามีมีอยู่แต่มีน้อยแสดงว่าบุญบา ร, รมีเขามากแล้วบุญบา ร, รมีเขามากแล้ว เพียงแถวพระพุทเจ้าเปิดตาให้เคลียขี้ฝุ่นคือฝอยในตาแป๊บเดียวเขาก็สว่างโรอดเหมือนอย่างพระพาหิยะเงี้ยพาหิยะเธอจงได้ยินสักเทะวะไดยินได้เห็นสักเทะวะได้เห็นได้ยินสักเทะวะได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสสักเทะวะ่าสักเทะวะจิตน้อมตามนั้นน่ะเทศยังไม่จบถึงคาถาเนี่บรรลุถึงขั้น <S <S เป็นพระอรหันต์เลย นั่นมีประเภทขิปนาพินจายุคสมัยพวกเรานี้เป็นยุคสมัยที่ผลไม้ปลายปลายยอดยอดมักแตงยอดมักทั่วที่ปลายยอดห ม, มักอึนเนี่ยมักแต่งโ ม, โมเนี่ยมันปลายยอดแล้วมันไม่ก็จะสมบูรณ์ดอกพวกเรา ประจิตป่าปีญญามีน้อยมีจะต้องมาถูมาไถกันเอาเป็นเอาตายมัด ก, กันใส่เข้าไปแต่พูดอย่างนี้เหมือนกับว่ายุคนั้นสมัยนะั้นท่านสะดวกสบายท่านเอาเป็นเอาตายสู้เหมือนเรานียแหละไม่ใช่ว่าทา่านงง่ายนะต้องมาทรมานกัน ก, ก่อนจิตมันจะอยู่จะสงบหนึง่งยากพราะจิตอยู่จิตสงบแล้วถึงจะไปใช้งานได้สะดวกสบายแต่ถ้าสงบ แล้วก็ไม่ได้สอนเกี่ยวเรื่องปัญญาเหมือนอย่างองทุทกดาบทอาลางระดาบทนะซึ่งเป็นอาจารย์ของพระพุทธเจา้าที่แท้จริงสมบถึงขั้นอารมณ์สมาบัติถึงขั้นนั้นก็ตามแต่ไม่มีวิธีที่จะสอนให้เกิดปัญญาเพราะไม่ได้สร้างบารมีเหมือนอย่างพระพุทธจเจ้าพราะท่านได้สมาบัติเ็ดได้สมาบัติแปดท่านกอยู่กันแค่นั้นแหละหมดทางไปนั่นคือนิพพานของเขา นิพพาน ข, าของคนอายนนุนั้นนิพพานของพรามบอกว่าเธอเรียนจบแล้วพุทธเจ้าน้อมมาดูใจของพระองค์โ้ทำไมกองทุกเต็มไปหมดเนี่ยมันไม่จะกองทุกมันจะโล่งกองทุกอย่างเต็มแปลทำไมคุยกันนะ่ะแปลฟังนะฮะเขาฟังรู้เรื่องไหมฮะ เดี๋ยวเราให้เวลาแปลซะก่อนคนแปลพราะมันเสียงคนอื่นรบกวนคนอื่นเราอยู่โดยลำพังแล้วก็ไปพูดอีกฟังที่นู่นก็ได้อุตตะกันดาบมด า, าดาบหมดนะไม่มีบารมีเหมือนพระพุทธเจา้าพระเจ้าท่านพอ่ออกท่านท่านออกมาบำเพ็ญไม่เ ท, ทางก็ใช้จิตที่ได้รูปปัตตมาบารูปปัตตมาบัตรของพระองค์ ท่านฉลาดท่านเรียนจบพระนเรศวเวลาที่รวดเร็วโดวยเห็นที่จิตมีย น, นี้เป็นพื้นเป็นบาตรเป็นฐานอยู่แลมันหมุนอยู่กัเรื่องเดียวจิตมันก็ทํางานอยู่กับสิ่งเดียวเรื่องเดียวมันไม่ได้พาคิดมั่วไปอย่างอื่นที่อื่นการหมุนธรรมะของพระนเจ้ากลายเป็นตะปะทำไปแผ่ไปเผาเหมือนอย่างของที่เปียกของที่ชุ่มด้วยยางทูก ถูกตะปะทำ ม, มันแผลมันเผาในใจนะแผลไปเผาไปเผาไปเผาไปเห็นไหมยามสุดท้ายแห่งแห่งราตรีปัจฉิมยามในวันทีน่เลิศหงเป็นเหีห้ยไรปล้องเนี่ยเอาตะปะทำแผลเผากลื่อ ห, หัวใจจนแห้งไปหมดเหือดแห้งไปหมดหายไปไหนก็นมาลุกเหือดแห้งไปหมดจากขจัดสันดานอืม มันไม่ยุคนั้นสมัยนั้นไม่มีใครไปเรียงให้พระองค์ละ่ะไม่มีใครไปเรียงบ้างอ๋ออริยมัรยงแปดนะอ๋ออริยสัจสี่นะอ๋อปฏิจจสมุปบาทนะไม่มีกลายเป็นว่าพระจิตของพระองค์ที่หมุนอยู่กับธรรมะที่ติดตันอยู่ในหัวใจอะไรเป็นเหตุให้เกิดตายเกิดตายเกิดตายกันแนนะ่โดยที่เห็นว่าพระองค์ได้ยานเห็นเกิดตายเกิดตาย ในปฐมยามในมัชฌิมยามเพราเห็นสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายเกิดตายซึ่งเรื่องเกิดตายเกิดตายนี่มันก็เป็นปัญหาจนเป็นเห็นได้พรงได้ออกบวญอยู่แล้วเห็นว่าวิธีการที่มันนั่งบำเป็นสงบเงียงตามวิสัยของสมณะนี่แหละเป็นวิสัยที่จะทําให้รู้เข้าใจตรงนี้พระองค์เลยมาหมุนอยู่ตรงนี้มันเป็นการแผดเผา ใน้สุดกิเลสตานหาสภวะติดค้ามอยู่ในกระไถยที่พยายามกองอยู่กองอยู่ที่เงรียงรูปสมาบัติจบรุปสมาบัติบัตจบกิเลสลนั้ น, นก็เหือดแห้งหายไปหมดเลยพระองค์ย้อนมาดูพระจิตของเราสะอาดบริสุทธิ์หมดจดไม่มีสิ่งเหล่านี้ปนเปื้อนอยู่ด้วยเลยนี่คือใช้ความสงบเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานแล้วก็ใช้ยาคือความรู้อย่างความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ย หมุนเข้าไปทั้งสติเป็นจาะเข้าไปทั้งปัญญาก็จาะเข้าไปทั้งสมาธิกับตะล่อมเข้าไปแผดเผาอย่าในหัวใจในสุดได้พระญาณอีกอันหนึ่งสวัสดยญาณรู้ว่าพระงนี่หมดจดจา ก, กตาัวตั้งอาสาวโดยสิ้นเชิงมีต้นตอดังเดิมที่อุริจาของเราได้ทั้งจยามพุทธจะได้ตรัสรู้วิธีการที่พระองค์นำมามหมุนเอง ไม่ใช่ไม่ไม yeah. ่มีใครบอกไม่มีขันสอนอุทกันดาบท阿拉ระดาบทก็ไม่สอนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ถัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้ถัสรู้เองโดยชอบความรู้จากอุทกันดาบทจากอลาระดาบทก็รวมอยู่ในนั้นแหละแต่ไปยังไม่ถึงพอพระองค์มหมุนเองด้วยบุญญาบารมีที่สั่งสมบุรุษมาแล้ว ทำให้ผ่องผ่านไปได้พ้นไปได้พวกเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นพวกเราได้ยินได้ฟังพวกเราตั้งใจฝึกฝนอบรมพวกเราตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาเราอยากไปย่างยิ่งเบื้องต้นพวกเราก็สนใจเรื่องการให้ทานไปที่ไหนก็ตั้งใจให้ทานกับพระเจ้ากับพระสงฆ์ใส่บุญทําบุญใส่บาต ท, ทุกวัน ทางุญกับพระเจ้าพระสงฆ์มีการให้ทานมีการเสียสละของนอกกายเสียสละของนอกกายก็ตะล่อมเข้ามาเพื่อเสียสละในกายเสียสละกายเพื่อจะมาเสียสละเวทนาเสียสละจิตเสียสละธรรมอต้องเสียสละทั้งหมดหรือจะพิจารณากายเสียสละกายพิจารณาเวทนาเสียสละเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาเสียสลัดนามโรคทั้งสีนะ่พิจารณาเพื่อเสียสละเพื่อปลงเพื่อปล่อยคําว่าเสียสละดมันมันศัพท์ว่าเป็นคําพูดแท้ที่จริงการที่จะปลอดจะปลอ่ปลอยจะละจะวางสิ่งเหล่านั้นได้เราจะต้องเข้าไปรู้เข้าไปเห็นด้วยปัญญาด้วยปัญญาญานของเราพอเราเข้าไปรู้เราเข้าไปเห็นนะสิ่งเท่าไหร่้็โบนเราเราดับ พอดับไปแล้วท่านจะใช้คำยังไงก็ได้หมดจะใช้คำว่าสละก็ได้ใช้คำว่าละก็ได้ใช้คำว่าวางก็ได้ใช้คำว่าข่าก็ได้ข่ากิเลสใช้คำยังไงก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่คำทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาอันตะล่อมเข้ามาด้วยอำนาจของสมาธิเข้าไปรู้เข้าไปเห็นสิ่งเหล่านั้นก็เกิดไมได้เพราะฉะนั้นปัญญาก็คือ การใช้ความภักเปลี่ยนพยายามของเราเนี่ยพิจาณเห็นเท่าทันความเปลี่ยนไปของกองสังขารกองสังขารนี่คือกองรูปมาสังขารกองนามาสังขารเป็นกองสังขารกองสังขารเหล่านั้นแสดงความเป็นความสามัญให้เราทราบทุกระยะทุกเวลาไม่คงทนเปลี่ยนไปไม่คงที่เปลี่ยนไปไม่คงที่เปลี่ยนไปเป็นทุกขังเป็นอนิจจ ไม่คงที่เป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังไม่เคยคงที่ธรรมะเหนี้ไม่เคยคงที่ให้พ like ิจารณาให้ให้เกิดความเห็นเห็นด้วยยาเห็นด้วยพัญยาในปัจจุบันทันดานั่นแหละอืเห็นความไม่คงทนมันเปลี่ยนไปเห็นความไม่เที่ยงก็มันก็คือเปลี่ยนไปด้วยเหตุที่มันไม่เที่ยงนั่นแหละมันถึงเปลี่ยนไปด้วยเหตุที่มันเปลี่ยนไปนั่นแหละมันถึงไม่เที่ยง ไม่มีใครปไปบังคับให้เที่ยงได้ไม่มีใครไปบังคับไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มันเปลี่ยนไปได้บังคับให้คงทนอยู่ได้ไม่มีใครสามารถบังคับได้ด้วยที่บังคับไม่ได้พระเจ้าท่านจึงใช้คำพูดใหม่ว่าโอ้นี่มันไม่ใช่อัตตานี่มันเป็นอนัตตาด้วยที่เราถืออัตตาอัตตาอัตตาเนี่ยเราไม่กลา้าปล่อยเหมือนพวกพรามไม่กล้าปล่อยเองพวกพรามเขาไม่กลา้าปล่อย ถ้าปล่อยอัตตาแล้วนะเขาจะมีความสุขได้อย่างไงเขาพยายามยึดอัตตาไว้เขาต้องการความสุขรุ่นทีเจ้าท่านปล่อยอนัตตาด้วยเหตุที่ว่าเกณฑ์ให้มันเป็นไปนตามใจหวังไม่ได้ด้วยเหตุที่เป็นไปนตามใจหวังไม่ได้มันจึงไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตาเป็นการพลิกความรู้ในยุคนั้นสมัยนั้นศา ส, สนาของพระองค์อนัตตาไปอยูบัติทั่มกลางอัตตาของพวกพราห พระ บ, บัตรท่ากลางอัตตาของพวกพราเนี่ยจึงเป็นต้นตำนานเป็นต้นต่อมาที่พระองค์สอนให้พวกเรารักษาสิ่งเจอสิ่งเจอสมา ธ, มธิและเจอปัญญาพิจารณาเพิ่มปรองเพื่อปล่อยกองทุกในสังสารวัฏนี้ลงได้อืมอันะัวันนี้เราก็ธรรมะสวนมนต์มาแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติม ก่อนนั่งภาวนาวมาจนเดี๋ยวนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ฟังและเข้าใจเอาพุทธตามฟัง พ, พุทธตามไปปฏิบัติตามเพราะพวกเราต้องการความสุขต้องการความเจริญด้วยกันเหมือนกันทุกทา่านทุกคนอขอให้ตตั้งตั้งใจทำเพราะตั้งใจให้ทนก็มีผลมีนิสมตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนา ใ, ใจใรับความสงบ รวมไปถึงภิกษุกันาในแง่มุมมุนทิสจะเป็นอย่างไรกับเราเกิดปัญญาอันนี้สองทั้งหลายทั้งปวงอหล น, นี้จะตามอปุปธรรมบำรุงจิตใจของเราให้มีฉลาดให้มีความฉลาดให้มีความรอบรูอร้อและพาจิตของเราเดินเข้าสู่นทางปฏิบัติเพื่อความละเอียดของจิตโดด ย, ย, ยิ่งขึ้นไปวันนี้ขอยุติเพียงแค่นี้พวกเราก็มาไม่ได้พักก่อนนะ มาเลเซียโดยอาจารย์บีกับอาจารย์อะไรนะอุชุโกครับอุชุโกอาจารย์อุชุโกอุชุโกกับอะไรนะชายาท่านอะไรผมผมเอ่อน้อย่นี่ยเดียวพุชโนฮะพุชโนพุชโนแปลว่าอะไรฮะพุชโนแปลว่าฮะแปลว่าอะไรพุ ชนะไปลว่าอะไรอ่มันนการผู้รู้อย่างนั้นนะในใบสิตที่เขาบอกล้ก็คนคนประยุกต์บงแต่ก่อนปรยกต์ยๆก็ขาไข่้ก็แปลงแปลว่าไงเขาบก่คที่สุพุชนะครับผมพุชนะพุชนอะไรพุฮเฮเขียนยังไงครับเขียนพอสมเภลใช่ไหมใชครับ แปลว่าอะไรพุชัยนวเนี่ยผมไปมาเลเซียสิงคโปร์อาศัยเพื่อนเน่ยตามแผนแปลาาปภาษาอังกฤษแปลภาษาจีนหกเกี่ยนเก่งหกเกี่ยนแต่อันนี้เขาเกง่งจีนกลางเก่งจีนกลางจึงเป็นเหตุไทยถ่ายไปถ่ายมาสิงคโปร์มาเลเซียเมืองไทยแต่เมืองไทยที่อยัด ตั้งเป็นทัวร์เยอะๆไปไม่มีมีแต่ไปอินเดียนุ่นืองไทยไปไปอินเดียทั้ทงพระทระั้งเณะทั้งยองไปอินเดียนุ่นพระเจ้าปสมง์ไปที่อินเดียไปตราบสังเวชชนิยสถานไปพาทำมัดไปพาสวดมนต์ได้แนวปฏิบัติได้ข้อปฏิบัติบางคนก็ได้ไปได้สลดใจได้สังเวชใจ เป็นการนึกน้อมนึกถึงบุญคุณของรูปพรเจ้าทําให้เกิดความเริ่รมใสศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังเวชชนิดของศรัเหล่านั้นพระเจ้าท่รงตรัสไว้ใครได้ไปแล้วต้ึกน้อมนึกถึงบุญถึงคุณของพระองค์จะทำให้ข่าวนี่ได้ไปเกิดบนสวรรค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์ด้แค่ปลื้มเีติยินดีแค่นั้นได้ไปเกิดบนสวรรค์ เหมือนอะไรเหมือนมัดทักุนทะัีอะไรเพื่อนปิติยินดีแค่ปั๊บเดียวท่านั้นตายปั๊บในขณนะนั้นตอนนั้นได้ไปเกิดบนสวรรค์คือคุณสมบัติของจิตมันเปลี่ยนสิ่งที่จะเพึงได้มันก็ไปตามนั้นเพราะฉะนั้นการฝึกจิตจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญประมาณไม่ได้นะดูถูกไม่ได้นะเราประมาทกันไม่ได้ดูถูกกันไม่ได้บางคนน่แอบ พลิกแอบเปลี่ยนความรู้สึกจิตนิสัยแบบเงียบด้วยเหตุที่เข้าไปเกี่ยวข้องได้ไปผูกพันเกิดความโน้มเอียงของใจเราลงถึงไม่ได้กลายเป็นการสะสมเป็นการอบรมจิตจริตนิสัยของไข่ของเราไปขอให้ทั้งหมดนี้เป็นอนิสงส์ให้พวกเราได้ประสบพบเห็นด้วยกันทุกท่านทุกคนนะอาวันนี้เอาแค่นี้จบแค่นี้ ไอ้พวกโยมเรากลาบก่อนกลับไปก่อนเดี๋ยวเราจะเราจะบอกบริสุทธิ์เรายังไม่ได้บอกบริสุทธิ์แล้วพวกเราทําอัปสมบที่ไหนก็วัดดอยธรรมชีดีเลยครับอ๋อเข้าวัดดอยเราเช้านี่โอ้ยใครกําลังรุมเต็มที่อยู่นึ่งตอนเช้าเราโอ้ยไปไปไปพาบุหิตเถอะเอากราบซะกาบซะกลาบพร้อมกันกลับที่พักซะกลับถูกนะ มีปัญหาอะไรไหมลีที่ปัญหาอะไรไหมหมูเรามีไหมที่อยู่ที่หลับที่นอนที่อะไรห้องน้ำห้องท่าอะไรเนี่ยไปใช้มีกันอยู่เนาะ่วามีัเหรอะโอเคโอเคอเคีฮะดูแลกันด้วยดูแลกันด้วยเดินนี้ต้องส่องไฟนะงู ่เย่งอรมมีนเดินหลับเดินมืดไม่ได้เืดเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ให้พรุ่งนี้ให้อาจารย์อุชุโกนี่ไปบินตบาตข้างนอกกับมูก็ได้เห้ยท่านรีอยู่นะบินบาได้ครับไปบินตบาดเพราะว่าเรานั่งรถไป นั่งรถไปพอได้ลุนปั๊บหมู่เขาก็นั่งรถไปรออยู่ที่นี่มายองก็ไปคอยอยู่างนี้ประมาณเกือบเจ็ดโมงเกือบเจเกือบเจ็ดโมงเขามาคอยอยู่ตรงเพิงสาบ่าเนั่นครับอ่าผมก็ไปบินบ่าตรงนั้นแหละผมก็ไปบินบาตรงนั้นท่านท่านไปได้บอกเขานดิบอกเขาบอกเขา เดี๋ยวเดี๋ยวในครัวเขาจะบอกอีกที่ดอกในครัวเขาจะบอกยังไม่ต้องมาแต่เช้ามืดดอกใกล้ๆกล้เจ็ดโมงหกโมงครึ่งกว่านออกมาเขาจะสะักวันเชา้าธรวันเช้าก็ไปขึ้นไปทำนะนะที่ น, นู่นบนชลาโน่นอ่ะที่นู่นเป็นทำบนชลาแล้วก็นั่งภาวนาไปจนสว่างแต่ยุง่งเจาะอ่าตีสี่บนชลา วันนี้เวนาเรียนดอทเ่์เนี่ยรักสี่点钟่上那个大殿咯，但是，第四门栅那นู่จะท我们的那边大殿呢，不是这个哦，刚才我们在那อ旁边，就在大殿那边的，旁边，四点钟早上。งทีเราอาจจะลงแล้วก็อาจจะไม่ลงเะเพราะว่าไข้หวัดอืมปกติเราก็ไม่ค่อยลงนะตอนเช้าเนี่ย จะออกชั้นแล้วก okay. so yeah. so ็มาตอนสายใครลงได้ก็ลงนะที่ข้างนี้มันโกูเหรอก็เป็นการี่ต่อที่ข้างูเหรอไม่เป็นไรโอเคไปได้ไปตลาดก็ได้พระเขาไม่ได้ลงมาชั้นหมดหรอก รถ <Okay. S 2> สายละเฮ้ยพวกนี้วันธรรมดาวันธรรมดาแต่ถ้าเป็นวันพระวันปฏิโมนเขาจะตงเยอะพวกนี้มันไม่ใช่วันปฏธิโมกไม่เยอะดอกวันปฏิโมกต้องใช้รถสายลับบินบาทสองสายสายละสองคันสองคันงั้นต้องใช้หม